ต่อไปนะก็บอกว่าธรรมะอันเป็นปฏิปักต่อปริยุทธฐานะคือกิเลสที่กลุ่มรุมนะปริยุทธิฐานเนี่ยกิเลสที่กลุ่มรุมเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยส ม, สมาธิเนี่ยนะสมาธิเนี่ยเป็นตัวละกิเลสที่กลุ่มรุมเลยก็บอกว่ากิเลสที่ตั้งขึ้นครอบงาความเป็นไปแห่งกุศลในจิตด้วยอานาจการไม่ให้โอกาส คือไม่เปิดโอกาสให้กุศลจิตเกิดเลยอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสนะฉันเกิดขึ้นมาฉันจะไม่เปิดโอกาสให้แกเป็นกุศลเลยเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยไปเป็นปฏิปักษ์เนี่ยนะไปปิดโอกาสเปิดโอกาสให้กุศลเกิดแทนนะครับปริยุทธฐานเนี่ยหมายถึงกิเลสที่ไม่เปิดโอกาสให้กุศลจิตเกิดนะพอเขาเกิดขึ้นมาเขาก็จะกลุ่มรุม ทีนี้ต่อไปว่าธรรมะอันเป็นปฏิปัก์ต่ออนุสัยกิเลสคือกิเลสที่นาแมมแปล ว, ว่านอนตามนี่มันก็ไม่บริบูรณ์ก็บอกว่าไหนเนข้อ่าเขาวงเล็บให้ก็คือผู้แปลคือคำว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยกิเลสที่นอนเนื่องคำว่านอนเนื่องนี่หมายคืาว่ายัางละไม่ได้นะมันไม่ได้แช่อ ย, อยู่ตรงไหนหรอก ขณะที่กุศ ล, ลจิตเกิดเนี่ยนะขณะนั้นไม่มีอกุศลเจตสิกสักอย่างเลยเพราะอะไรเพราะอนุสัยกิเลสนั้นอนะเป็นจิตตสัมปยุตกิเลสเนี่ยเป็นจิตตสัมปยุตใช่ไหมเกิดร่วมกับจิตเกิดร่วมกับจิตเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตอนุสัยกิเลสเนี่ยเป็นจิตตสัมปยุตอนุสัยกิเลสเนี่ยนะเป็นไปกับอารมณ์คือเป็นสารมณนะอนุสัยกิเลสเนี่ยรู้อารมณ์นะแล้ว เป็นสเหตุกกะด้วยนะอนุสัยกิเลสเนี่ยเป็นสเหตุตุกะอนุสัยกิเลสนั้นเพราะอาจว่ามีปัจจัยปรุงแต่งคืออนุใสเนี่ยเป็นสังคตาธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นอนุสัยนี้เป็นอากุศลอย่างเดียวแล้วอนุใสเนี่ยเป็นอดีตก็มีเกิดในอดีตก็มีเป็นอตีตาธรรมมา ที่เกิดในอนาคตกจกเกิดในอนาคตก็มีที่กำลังเกิดในปัจจุบันก็มีเพราะฉะนั้นขณะที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นมีกิเลสไปกลุ่มรุมสักอย่างไหมไม่มีเพราะขณะนั้นไม่มีอนุสัยไม่มีอนุสัยในลักษณะสหาชาตานุสัยแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอนุสัยได้หมดเลยอ่าเป็นคาว่าก็คือเป็นอา ร, รมณานุสัยคือ อะไรมั่งที่ไม่เป็นอารมณ์ของอนุสัยเอางี้ดีกว่าอะไรมั่งที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเมื่อสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสได้จะเรียกว่ามีอนุสัยอยู่ในนั้นก็ได้เพราะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ถูกถ่ายถอนเลยยังไม่ได้ละเลยถ้าได้ปัจจัยพร้อมอนุสัยเกิดทันทีเลยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะทุกขเวทนาเนี่ยเป็นที่นอนเนื่องแห่งปฏิคาอนุสัย ทุกขเวทนาเกิดเมื่อไหร่ส่วนใหญ่โ ท, ส ะ, โทสะเกิดทันทีเนี่ยนะ ถ, ถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ไม่ดีเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็โทสะเกิดสมมุตินะถ้าแก้วใบนี้โอ้ยเป็นแก้วอย่างดีเลยถ้าแตกเมื่อไหร่นี่ได้เรื่องทัน ท, ทีเลยอ่าเรียกว่าอปิยรูปอาสาตรูปสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่น่ายินดีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งปฏิคานุสัยด้วยทุกขเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งปฏิคานุสัยด้วยเนี่ยนะ พันปฏิคานุสัยนั้นอ่ะเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับโทสะปฏิคานุสัยเนี่ยนะเกิดพร้อมกับโทสะมูลจิตเกิดพร้อมกับโทมัสเวทนาปฏิคานุสัยนี่เกิดขึ้นเพราะโดยที่มีอารมณ์คืออาปิยรูปอาสาตรูปอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาหรือในทุกขเวทนานะเขามีทุก ข, ขากายะวิญญาณเป็นอารมณ์ก็ได้เ เพราะฉะนั้นเขานี้จึงไม่ได้ไปนอนแช่อยู่ที่ใดที่หนึ่งอัขนขณะปฏิสนธิจิตเนี่ยขณะนั้นมีอนุสัยเกิดร่วมด้วยไหมไม่เกิดเพราะว่าไม่มีกิเลสไปสัมปยุทธอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอนุสัยอะไรเลยเนี่ยนะแต่ถามว่าละได้หรือยังละกิเลสได้หรือยังยังอันน่ะเพราะเพราะอะไรถ้าได้ปัจจัยกิเลสก็เกิดอีกเนี่ยนะไอ้ความที่ยังละไม่ได้แบบนี้นี่แหละเรียกว่าอนุใส ย, ยังละไม่ได้ อย่างเช่นในขณะที่เราดีใจอยู่มีเสียใจประกอบร่วมด้วยไหมไม่มีถามว่าละความเสียใจได้หรือยังยังถ้าถามว่าขณะที่ดีใจก็ไม่เสียใจอ่ะแต่ก็แปลว่ายังไม่ได้ละความเสียใจได้นะแต่ได้ปัจจัยก็ยังเสียใจอีก น, น, นะก็คล้ายๆแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสที่ยังละไม่ได้นะ ก็บอกว่าเมื่อได้เหตุอันสมควรแก่อันเกิดขึ้นชื่อว่าอนุสัยถ้าได้เหตุสมควรเมื่อไรเขาเกิดขึ้นทันทีเลยอันนั้นอย่างเช่นถ้าโลภะได้ปัจจัยนั้นโลภะเกิดทันทีเช่นใส่ใจโดยความเป็นสุภานิมิตแป๊บเดียวนั้นโลภะเกิดเลยถ้าใส่ใจโดยปฏิฆานิมิตโทสะเกิดเลยอนนอุเบคานิมิตโมหะก็เกิดขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นเขาได้เหตุเขาเกิดเลย ก็อนุสัยเหล่านั้นได้เหตุอันสมควรแล้วก็ควรที่จะเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นทันทีมั้งเขาไม่ได้นอนแช่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเอออรยิยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะไปตัดอุปนิสัยที่จะให้เกิดได้นะเพราะฉะนั้นเอเออนุสัยก็คือกิเลส ท, ที่ได้อุปนิสัยแล้วมันเกิดขึ้นทันทีพออรยิยมรรคเกิดขึ้นตัดอุปนิสัยเหล่านั้นออกไปนะกิเลสก็จะไม่เกิดใช่ปะคือถ้าอธิบายลักษณะที่เป็นสาชาตานี่นะฮะ ว่าไม่มีแต่มีในลักษณะที่เป็นอุ ป, อปนิสัยถูกไหมครับ อ, อถ้าบอกว่าถ้าอธิบายว่านอนนอนเนื่องอยู่แสดงว่าเดี๋ยวนี้ถามว่าเดี๋ยวนี้เรามีอนุสัยไหมใช่ไหมเราต้องตอบว่าถ้าขณะนี้จิตเป็นอกุศลมีเจนพ่อแต่ถ้าขณะนี้จิตเป็นเป็นกุศลไม่มีอนุสัยขณะนั้นมไม่มีอนุสัยอ ย, อยู่แต่แต่ว่า กุศลอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยให้อกุศลเกิดได้ครับแล้วก็อกุศลที่เคยเกิดมาก่อนๆ ก, ก็ไปเป็นอุปนิสัยให้อากุศลที่จะเกิดต่อไปได้ถามว่ า, ากุศลจิตที่เกิดขณะนี้เนี่ยไปเป็นอารมณ์ของอกุศลได้ไหมได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเขาจึงถามว่าไอ้กุศลจิตอันนี้จึงเป็นลักษณะเป็นอารมณานุสัยของอากุศลที่จะเกิดต่อไปเนี่ยนะ แล้วก็สามารถเป็นอารัมมานุสัยของคนอื่นด้วยยกตัวอย่างเนี่ยนะพระพุทธเจ้าละอนุสัยได้หมดแล้วใช่ไหมแต่จิตของพระพุทธเจ้าหรือรูปกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารัมมานุสัยของคนอื่นได้เช่นรูปกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปฏิคานุสยัยเอ่อเป็นเป็นปฏิฆาของเดรัจฐีทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะความที่พระองค์มีรูปร่างแบบนั้นพระวกะลิก็เกิดโลภะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคน เบลตีก็ไม่ชอบนะนะแต่ว่าบางคนก็ชอบนะนะเพราะแต่จริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีอนุสัยเลยนะโดยสหาชาตานุสัยพระพุทธเจ้าไม่มีแต่ก็ยังเป็นอารมณ์ของอนุสัยของคนอื่นๆได้นะนะฉะนั้นคําว่าอนุสัยแปลว่ากิเลส ท, ที่ได้ปัจจัยอันควรแล้วเขาเกิดขึ้นทันทีเขาไม่ได้ไปไปไปบางขั้นนี่เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าอนุสัยคือยังไงเขาบอกว่า สมมติถ้าดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองมันติดมันมันจะเกิดขึ้นคนละขนาดใช่ไหมดวงที่หนึ่งดับไปดวงที่สองก็ไปเกิดช่วงว่างๆแถวนั้นแหละเรียอนุใสว่างเงี้ยมีอะไรแปลกๆอย่างกันนะสรรหาคําอธิบายมาแต่ว่าท่านบอกเลยนะว่าอนุสัยนั้นเป็นจิตตสัมปยุทธ์หมายคำว่าเกิดร่วมกับจิตเกิดพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตหมดแล้วก็อนุสัยนั้นเป็นสารมมณะ เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แล้วก็เป็นสเสหตุกะเขาเนี่ยเป็นสเสหิตุกะเขาต้องมีเหตุประกอบนะถ้าเกิดร่วมกับโลภะเขาก็เป็นโมหะเหตุอย่างเงี้ยเขาก็มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นประกอบด้วยแล้วก็เขาเป็นสังคตะธรรมอนุใส่เนี่ยเป็นสังคต ธ, ธรรมเป็นธรรมะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วก็เป็นอาปุศลอย่างเดียวแล้วก็ อนุสัยนี้เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันนี้กล่าวตามอัตถกาถาอนุสัยยม ก, กะเนี่ยนะนกล่าวตามอัตถกาถาอนุสัยยม ก, กะไปดูนะเล่ม83ในในฉบับเราเล่ม83าหน้า753อ น, นะอัตถกาถาอนุสัยยม ก, กะแต่คนเป็นจำนวนมาก<ไ>ก็ได้ฟังจากครูบาอาจาร เป็นเรื่องของการนอนเนื่องนะเป็นการเป็นการเข้าใจว่ามันแฝงอยู่เหมือนกับความร้อนแฝงความร้อนแฝงอยู่ในน้ำแข็งได้ชันใดในน้ำแข็งมีความร้อนแฝงอยู่ได้ชันใดในจิตย่อมมีอนุสัยแฝงอยู่อย่างนั้นท่านอธิบายอย่างนี้<จ> น, นะแล้วเราก็เข้าใจมาอย่างนั้นตลอด <จน S 2> แต่ที่จริงแล้วถ้าหากว่ามาตามอัจฉริยะอันนี้อธิบายนะฮะก็ จ, จะไม่ขัดเลยเจนพร้รพอมวันขอมานี่ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดพูดดีมากเลยนะท่านบอกว่าก็คุณไปมองกิไอมองกิเลสเป็นรูปธ ร, รรมอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะอุปมาแบบรูปธรรมเขาบอกว่ายังนี้เลยนะบอกเออคานี้รู้สึกประทับใจมากเป็นอ่านในหนังสือพิมพ์นนะมีข้อความธรรมะอยู่บทหนึ่งในหนังสือพิมพ์ก็สนทนากันในเรื่องนี้แหละ และอาจารย์ท่านนั้นท่านบอกว่าก็คุณไปคิดว่ามันเป็นรูปธรรมมันก็เลยนอนเนื่องเหมือนกัตรกรอะไรมันนอนอยู่ในน้ํำนี่ใช่ไหมก็คุณมองแบบนั้นน่ะคุณคิดเป็นรูปธรรมอันนี้อนุสัยมันไม่ใช่รูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นอกุศลเป็นกิเลสอย่างเงี้ยนันก็ลักษณะนี้เพราะนั้นแล้วก็ค้นคว้าไปแล้วก็เป็นลักษณะนั้นจริงๆว่าอนุสัยนั้นเขาต้องเกิดร่วมกับอกุศลจิตอย่างเดียวเะนั้นอกุศลจิตเกิดที่ใดเป็นอนุสัยที่นั้นเห็นไหมท่านก็ ในบางคัมภีร์นะอย่างเช่นในคัมภีร์ธรรมสังเขเนียที่นิเทศอวิชานะอวิชาเพราะฉะนั้นอวิชาปริอวิชาปริยุท ธ, ธานอาวิชานุัสอวิชาลังคีอะ่ะเพราะฉะนั้นอวิชาเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นทั้งอวิชาปริยุท ธ, ธานด้วยเป็นทั้งอวิชานุัสด้วยเป็นทั้งอวิชาลังคีด้วยเป็นทั้งโมหะความลุ่มหลงความหลงทั่วอะไรพวกนี้นะท่านก็อธิบายในลักษณะนั้น แล้วก็ในในคำพีนิเทศก็กล่าวแบบนี้อีกนะในคำพีนิเทศก็พูดในลักษณะแบบเดียวกันกันกบคำพียมกะเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยนะคือแต่ว่าต้องเป็นปัญญาระดับอรหัตตมรักนะจึงจะตัดอุปนิสัยอันนี้ออกได้ไ อ, ไอ อนุใส่เนี่ยถ้าของอาตมาเข้าใจก็คือไอ้อุปนิสัยที่จะเป็นเหตุให้กิเลสเกิดขึ้นนะนะถ้าอาริยมรรคเกิดขึ้นแล้วอุปนิสัยอันนี้ไม่มียกตัวอย่างถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่นะเชื่อแห่งส ก, กายะทิ่ถิวิจิกิจฉาสีและพระตาปรามาดยังไงก็ไม่เกิดถ้าเป็นพระสกท า, าคามียังไงจะโกรธไม่เกิน50าสิบเปอร์ซ็นนกะถ้าเป็นพร ะ, ะอนาคามีแล้วนะทำยังไงก็ทําให้ท่านไม่โกรธท่านก็ไม่โกรธจะฟันหัวท่านครึ่งหนึ่งเนี่ยนะกระ บ, บาลแบกขนาดไหนก็ไม่โกรธ ไม่โกรธจริงๆนะข้าท่านท่านยังไม่โกรธเลยแต่ท่านจะสงสารคนข้าอย่างเช่นถ้าอนาคามีอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นอุบาสกเหตุที่เกิดเหตุให้เกิดป่าอันทวันน่ะป่าอันทวันก็คือป่าตาบอดอันทาบแปลว่าบอดวนะแปลว่าป่าป่าอันทวันน่ะที่ที่อินเดียนะเขามีป่าชื่อว่าป่าอันทวันนืกกล่าวถึงว่าป่าคนตาบอดมีเรื่องว่าไอ ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะเนี่ยน ะ, ะดับขันปรินิพานก็กสร้างเจดีย์ทองประมาณโยอดหนึ่งขึ้นมาทีนี้ในสร้างเจดีย์ทองนี่ก็แบ่งออกเป็นประตูเนี่ยสี่สี่มุมะนะทีนี้มันมีมุมหนึ่งเจ้าภาพแม็เจ้าภาพเบี้ยวว่างั้นเถะทีนี้ก็อุบาสกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนสมัยนั้นมากท่านก็เที่ยวออกประกาศว่าประกาศบอกประชาชนทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงดับขันปรินิพาน ตอนนี้สร้างเจดีทองเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่มีอายุยนะืนนพระาธาตุไม่กระจัดกระจายพระาธาตุจะอยู่เป็นแท่งทึบมันก็ประกาศให้คนเนี่ยช่วยกันบริจาคว่าเจดีนี้สร้างด้วยทองเพราะฉะนั้นใครมีแก้วทองอะไรนี่ก็มาร่วมบริจาค ก, กันนะเสร็จแล้วถ้าใครไม่มีก็มีอาหารอะไรก็ไปให้ช่างก็แล้วกันก็ร่วมประกาศไปแบบนี้ไปเรื่อยเสร็จแล้วตอนหลังขณะที่ ได้มาเนี่ยนะก็ส่งทยอยให้เข้าไปร่วมการก่อสร้างจนสร้างเจดีเสร็จอ่ะ น, นะเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่มากเพมันลูกศิษย์ก็เลยไปไ ป, ไปประกาศไปหาอาจารย์ว่าอาจารย์ตอนนี้เจดี JD นี้สร้างเรียบร้อยแล้วนะขอให้อาจารย์กลับมาบูชาพระเจดี JD ได้แล้วว่างั้นก็ใครจะมาฉลองเจดีอุบาสกคนนี้ก็เดินทางกลับในระหว่างทางก็มีโจ น, นี่สุ่มอยู่ว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยนะเที่ยวเรี่ะไรามานานแล้วน่าจะมีเงินเยอะนะน่าจะมีทองเยอะ เพราะฉะนั้นเราไปปล้นท่านดีกว่าในในระหว่างผ่านป่าตรงนี้ทีนี้ในลักษณะที่จะปล้นท่านนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มีรอกเพราะว่าข้าวของที่เรียรายมาก็ส่งไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้ยังไงก็ไม่มีสักอย่างเลยก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ฆ่าทิ้งสิเพราะอะไรเพราะว่าท่านกับพวกโจรเนี่ยรู้จักกันไหมคนบ้านเมืองเดียวกันเนี่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้ท่านเข้าไปในบ้านในเมืองเนี่ยคนก็จะรู้จักกันหมดว่า ว่าพวกนี้เป็นโจรเดี๋ยวท่านไปฟ้องน่ะลำบากเลยก็บอกว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยเราไม่ไปบอกใครรอกแบบนั้นคือไอ้ที่ท่านที่ท่านกล่าวห้ามไม่ใช่ท่านรักชีวิตนะท่านกลัวพวกโจรพวกนั้นจะบาปเพราะว่าท่านเป็นพระอนาคามีแต่ว่าโจร น, นี่ไม่เชื่ อ, อนะก็โจร น, นี่ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คล้ายๆกับหาพวกดูที่ว่าควรฆ่าหรือไม่ควรฆ่าไอ้พวกที่บอกว่าฆ่ามีมากกว่าก็เลยฆ่าพอฆ่าท่านตายเนี่ยนะท่านก็ ไปเกิดในชั้นสุทาวาตที่เหลือนี่ตาบอดทันทีเลยเนะหาทางออกไม่ถูกบางคนก็มีลูกเมียเนี่ยมารับไปเนี่ยนะได้ข่าวว่าสามีตาบอดก็ไปรับกลับบางคนก็ไม่มีใครรับกลับก็อยู่แถวนั้นนะพวกคนเดินทางไปเขาสงสารก็จะให้อาหารกินเขาเลยเรียกว่าป่าอันทวันว่า ง, งั้นปากคนตาบอดที่เกิดจากการฆ่าพระอนาคามีก็เป็นเหตุให้ตาบอดทันทีขนาดนั้นเนี่ยนะ นนะอันธาต น, นี่แปลว่าบอดนะวนานะแปลว่าป่าเพราะนักเที่ยวป่าอันธวันแต่ว่าทีนี้ตอนนี้ไอตอนหลังในสมัยพุทธการเป็นป่าที่รกร้างอยู่เพราะพิสุจะไปเจริญกรรมทานอยู่ในป่านั้น ส, ส่วนใหญ่พอฉันเสร็จก็จะไปหลีกเรนเพราะเป็นป่าใหญ่มากเลยนะพิสุชันเสร็จก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ในป่านั้นบิณฑบาตในเมืองก็มีคือให้ปา่าเข้าป่ากันตอนเย็นก็จะกลับเข้ามาฟังธรรมใหม่ สมัยนั้นดูถ้าจะสปาญานะเข้ากลางวันก็เข้าป่าไปพุทธเจ้าก็เน้นเรื่อยใช่ไหมโน่นโคนไะม้นั่นเรือนว่างเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเข้าป่าทำกรรมฐานเย็นก็เข้ามาฟังธรรมใหม่พุทธเจ้านี่ตรวจ ด, ดูอัธยาศัายก่อนนะแล้วก็ฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอนาคามีมรรคเกิดขึ้นอย่างไรก็จะไม่โกรธโดยประการทั้งปวงถ้าอารหัตมรรคเกิดขึ้นนะไม่มีอารมณ์ใดทําให้ท่านวันวัยนะแม้สักอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลา คือในคาถาที่ว่าสีสีเลปฏิทายะนี่นะนในฉบับมหามกุฏนี่การแปลลำดับนี่จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะใ น, นในฉบับมหามกุฏบอกว่าภิกษุผู้เป็นคนฉลาดมีความเพียรมีปัญญาบริหารตนตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญานั้นอยู่นั้นพึงทางชักนี้ได้เจนพา ไม่ทราบว่าการการแปลแบบนี้เป็นเป็นหลักการแปลที่ว่าจะต้องเธอถ้าแปลของฉบับมหมาเมกุตเขามองแต่เนื้อความเป็นหลัก<ม>เขามองเนื้อความแบบความเข้าใจแต่ว่าคนที่แปลตามฉบับภูมิพโลเนี่ยเขาดูตามศัพท์เพราะเพราะว่าศับเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นเขาจะแปลอย่างฉบับมหมาเมกุตเนี่ยนะคำว่านระไม่แปลเลยในในฉบับมหมาเมกุตคําว่านระไม่แปลปเป็นภิสูไปเลยที่จริงพิกษุอยู่บทสุดท้าย ันคำว่าภิกษุตรงนั้นมีอัดว่าเห็นภายในสังสารวัตรดันไม่ควรเอาภิกษุมาเป็นประธานควรเอานระหรือเอาสัตว์เป็นประธานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่แปลบริบูรณ์ก็คือฉบักฉบักเพราะว่าถ้าถ้าดูจากทั้งสองนี่ก็จะเห็นว่าถ้าถ้าดูแลอาาัตตาอาจจะผิดกันถ้าแปลลำดับแบบนี้นะคะอ่า ก, ก็ก็ผิดกันอยู่บ้าง ผ, ผิดกันบ้างเพราะว่าถ้าบอกว่าภิกษุผู้เป็นคนฉลาดมีมีความเพียรมีปัญญาบริหารตนก็หมายถึงว่าอบรมตรงนี้ก่อน แต่ถ้าในฉบับภูมิพหลโรบอกว่านระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วเท่ากับว่าเจ็พันพยายามเคยพูดถึงอบศีลก่อนอเจริญจิตและปัญญาอยู่เจ็ดพอเพราะฉะนั้นอัถาก็จะผิดกันก็จะเห็นความต่างว่ามีถ้าการแปลไม่รู้อ่ะตีให้เหมือนกันแล้วกันจริงๆแล้วหลักการแปลนี่ต้องต้องแปลแบบฉบับภูมิพหลโรคือคือไอ้มันเหมือนกับแบบคนภาษาอังกฤษแปลมาเป็นภาษาไทยอ่ะนะเอาหลักอะไรมา มันใครชํานาญแบบแปลแบบไหนก็จะแปลแบบที่ตัวเองถนัดเพราะว่าในในพิธีเดียวเนี่ยสามารถแปลได้หลายอยา่างคือหลักการแปลเนี่ยนะมันมีหลายความหมายนะคือเน้นการสื่อออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครพูดคําแปลได้เหมือนกันเป๊ะหมดเลยแม้แต่ศัพท์เดียวบางคนก็ยังอย่างเช่นคําว่าภาษาไทยๆนะั้นมีหลายคําที่บางคนแปลไม่เหมือนกันเช่น อย่างบาลีเขาบอกปริพุณชันติอะไรเงี้ยนะย่อมบริโภคอะนะปริพุนชะหรือว่าปริโภค่าอะไรบริโภคไงสับไทยก็มาแปลบางคนแปลว่าทานบางคนก็รับประทานอะไรเงี้ยนะคล้ายว่าจะแปลตามสำนวนของคนแปลถ้าส่วนใหญ่ก็กกสับเดียวกันแต่ก็ไม่ผิดอะไรละกันมุนมงอัฐะมุ่งความหมายแบบที่ท่านเข้าใจ